คนน้อยนักน้อยหนาที่จะได้มาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเพราะเหตุใดก็เพราะเวลาไม่อำนวยบ้างสารพัดจะขัดข้องบ้างตูกเนตดสายไว้ในทางพระพุทธศาสนาศาสนาใดๆในโลกจะเสมอเหมือนพระพุทธศาสนาเป็นไม่มีเลย เป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาเขาจะสําคัญตัวว่าประเสริฐเลิศร่ำสเพียงไรก็ตามเขาจะแข่งดีกับพระพุทธศาสนาสเพียงไรก็ตามลัทธิต่างๆก็เท่ากับว่าบว้วนําลายขึ้นฟ้าแข่งดีกับฟ้าก็เท่ากับว่าคนตาบอดแข่งดีจะสนเข็มเพราะว่าพุทธศาสนาเป็นของสูง ไม่เป็นของต่ำใครจะถือว่าต่ำสักเพียงใหนก็าตามก็เป็นของสูงอยู่ตามธรรมชาติธรรมชาติของพุทธศาสนาไม่ลดเรื่อนไปทางไหนเป็นของมีคุณค่าอยู่ทุกยุกทุกสมัยของนักปราชญ์แต่ก็ตรงเงินค่าผู้มีนิสัยวัสนาสร้างบารมีมานานเป็นผู้เบาบางมาทางกิเลสแล้ว จึงยินดีและเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนาเพราะกุศลกรรมมากส่วนผู้อกุศลกรรมมากบันดาลไม่ให้ยินดีบันดาลไม่ให้เลื่อมใสบันดาลไม่ให้สนใจสนใจไปทางอื่นซักเพราะกรรมมุนีนาวัตติโลกูกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมที่ตนสร้างไว้ถ้ากรรมไปทางบาปนก่ก็บันดาลมาให้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ผู้เลือมใสในทางพุทธศาสนาเป็นผู้มีวาทนามากแล้วเป็นมนุษย์เต็มภูมิไม่ใช่อัมนุษย์เยเกยเกิพุทธังสนงาาันนังคาตาเสนเตคมิสสันติอปายภูมิงปหายมานุสังเทหังเทวากายังปริภูเรศสันติติ โยจะพุทธันจะทำมันจะสังคัญจะสนันงคาตูผู้ใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสง์พระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งในกิจในใจแล้วผู้นั้นละโลกแล้วย่อมไปบันเทิงในสวรรค์สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือเห็นชอบในทางพระพุทธศาสนายินดีในทางพระพุทธศาสนาถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นของมีค่ามีคุณ อยู่ทุกยุคทุกสมัยของโลกไม่ลบเลือนไปทางไหนเราลองพิจารณาดูก็รู้จักผู้ที่ท่านเคารพนับถือพระพุทธศาสนานั้นท่านเป็นคนโง่ ก, กว่าเราดอกหรือหรือท่านเป็นคนฉลาดกว่าเราก็ต้องทวนดูตนเองตัวอย่างเยี่ยงอย่างอันดีของพวกเรามีแล้วสมเด็จพระบรมรายชา เป็นประมุขของประเทศตลอดถึงพระบรมวงศานุวงศ์ขององค์ทรนก็นับไปในทางพระพุทธศาสนา100ร้อยเปอร์เซนก็ว่าได้เราเป็นเรื่องอย่างอันดีแล้วเราอยู่ในประเทศอันสมควรปฏิรูปประเทศสวาสะอยู่ในประเทศอันสมควรเอตามังคลมุตมังเป็นมงคลอันอุดมดี ประเทศอันสมควรภายนอกก็คือประเทศไทยของเรานี่นะถือพระพุทธศาสนาเหตุฉะนั้นถึงแม้ว่าจะทุกข์จะจนสักเพียงใดก็ตามก็ต้องมีที่อยู่ที่กินที่อาศัยยิ่งกว่าประเทศอื่นอีกใครมีส ต, ตางจะทื่อซื่อที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นเรื่องอาหารเรื่องอะไรก็เหมือนกันประเทศอื่นๆก็ต้องมีการ บ, างรบราังคับได้ยินทราบข่าวเขาเรา การบังคับในการซื้อซื้อมากก็ไม่ให้ซื้อเพราะจะไม่พอกินกันเหตุไฉนไอ้ประเทศไทยจึงมีอาหารมีเครื่องนุ่งเครื่องห่มเครื่องอุปโภคบริโภคบริบูรณ์กว่าประเทศอื่นก็ประเทศไทยมีทานวัดศีลวัดภาวนาวัดประจำอยู่ไม่ขาดถึงจะมีโจรมีผู้ร้ายมาปะปนอยู่ก็เป็นเรื่องของพวกโจรพวกผู้ร้ายส่วนนักปราดก็มีอยู่เป็นหัวจักอยู่ คำสอนใดๆในโลกจะเสมอเหมือนคำสอนพระพุทธศาสนาเป็นไม่มีเลยเจตนาใดๆในโลกจะเสมอเหมือนเจตนาที่ถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นไม่มีเลยความเคารพนับถือใดๆในโลกจะเสมอเหมือนเคารพนับถือพระพุทธศาสนาเป็นไม่มีเลยผู้มีปัญญาย่อมเคารพนับถือสิ่งที่ควรเคารพนับถือ ผู้ไม่มีปัญญาก็ตรงกันข้ามผู้ที่มีปัญญาย่อมยินดีในสิ่งที่ควรยินดีย่อมไม่ยินดีในสิ่งที่ไม่ควรยินดีย่อมเคารพในสิ่งที่ควรเคารพย่อมไม่เคารพในสิ่งที่ควรไม่เคารพตรงเันข้ามประเทศไทยตัวนิดๆรักษาตัวได้เพราะอำนาจของพระพุทธศาสนาของพระบรมราชาตลอด ถึงท่านผู้มีกิจใจในกุศลผลบุญของประชาชนอีกด้วยรวมกันเรียกว่ารัฐบาลรัฐแปลคงจะแปลว่าแผ่นดินบ้านคงจะแปลว่าปกครองปกครองกันในทางรรมสามัคคี ร, รมอาศัยรับธรรมเป็นเครื่องปกครองถึงจะมีคนชั่วประปอนอยู่ ว่าไม่ถึงกับนับทิบไม่ลุกมันก็เป็นธรรมดามีคนชั่วประปนอยู่แต่ว่าคนดียังมีมากในประเทศไทยคนสนใจในพุทธศาสนาในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยังมีมากอยู่เราท่องเที่ยวมาในวัดต้าสงสาร เป็นหน้าที่ที่เราจะสร้างความดีลงไม้ในใจทําบุญแล้วก็ลงไปอยู่ที่ใจทําบาปแล้วก็ลงไปอยู่ที่ใจไม่ได้ไปในที่อื่นใจเป็นนายทุนใจเป็นผู้ดิเริ่มจะทําดีนักทาชั่วเมื่อทําแล้วก็มาหาเจ้าของเดิมกายก็วายจาม่รู้อีหนูอีนี่อะไรดอก ใจบอกเขาก็รับใช้ใจไปเวลารับได้เวลารับไม่ได้จะบอกสักเพียงไหนเขาก็ไม่รับเ mm. ช่นเราป่วยหนักนอนคาที่จะไหวติงไปมาก็ไม่ได้เขาหมดกําลังกายเขาก็ไม่ช่วยใจจะบอกสักเพียงไหนก็ไปไม่ได้คล้ายๆกับคนขับรถเมื่อรถมันหักแล้วมันชำรุดเกินไปแล้ว จะปตีอบทกเสียงให้มันไปมันก็ไม่ไปฉันในก็รณีร่างกายสังขารเมื่อมันสุดโสมมาแล้วมันไปไม่ไหวจะบังคับใจจะบังคับโอหังมังคโลสักเพียงไหนเพีย ง, ยงใดก็ไปไม่ได้ <S <S 1> <S 1> เหตุฉะนั้นจึงสร้างกุศลพ้นบุญไหว้ที่ใจให้เป็นที่พึ่งอัตหิอัตโนนาทโถตนเป็นที่พึ่งของตน ก็คือใจเป็นที่พึ่งของใจนั่นเองทำบุญแล้วไม่ต้องต้อนเข้าโคเข้าคอมวนโคและกระบือทำบาปแล้วก็เหมือนกันไม่ต้องต้อนเข้าเองถามใจดูว่าใจเอ๋ยคุณเคยในสร้างบุญสนชินทานให้ทางรักษาศีลภาวนาในพระพุทธธรรมประสงค์หรือไม่ ถ้าใจได้ทำใจก็ตอบตอนได้ไม้เกือขืนถ้าใจไม่ได้ทำใจจะโกหกพลลมตนเองสักเพียงใดก็ตามก็เป็นไปไม่ได้ก็ไม่เป็นที่สนิทใจเอกด้วยพระนัตถิโลเกและหันามะความลับไม่มีในโลกโลกก็คือใจของเรานี่เองเราทำดีเราก็รู้จักเราทาชั่วเราก็รู้จักไม่มีความลับเราเริ่มเสด็พระพุทธศาสนาเราก็รู้จัก เราไม่เลื่อมใสในพระพุทธศา ส, สนาเราก็รู้จักเหตุนั้นทำของพระบรมศาสตรส์จึงยืนยันว่าสันทิษทิโกบุคคลผู้ปฏิบัติย่อมเห็นเองอากาลิโกไม่มีการไม่มีเวลาเอหิปัติโกล่องเรียกให้ท่านผู้อื่นมาดูได้ก็ลองเรียกให้ตนเองมาดูลองเรียกคนตาบอดมาสนเข็มมันก็สนเข็มไม่ได้ ต้องเรียกให้ตนเองมาดูมาดูที่เราทําดีทําชัว่วเพราะเรารู้จับอยู่พระพุทธศาสนาเบื้องต้นสอนให้ยินดีนในมนุษย์สมบัติให้ทามาหาเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบให้เว้นอวายามุกทุกประเภทให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงจังไม่ให้อาถืออันอื่นมาปน อัญญสัตว์ทุเทศไม่ให้ถือศาสดาอื่นท่านผู้ใดถือศาสนาอื่นมาแกลมพระพุทธศาสนาก็จงพิจารณาให้ละเอียดจงเว้นซะถ้าเป็นกรรมหนักอัญญสัตว์ทุเทศไม่ยอมถือศาสนราอื่นถ้าถือศาสนาอื่นมาประปนกับพระพุทธศาสนาเน้ยเป็นก้างขวางคอของปโสดาบัน ไม่สามารถจะถึงพระสสดาบันได้ง่ายผู้ที่จะถึงพระสสดาบาลได้ต้องเป็นผู้มีศีลห้าประจำบริสุทธิ์ไม่เป็นห่วงเป็นใ ย, ยในที่จะล่วงสิกขาบทใดสิขาบ ท, บทหนึ่งเลยถ้าหากว่าล่วงสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งก็ถือว่าเป็นของหนักเท่าแผ่นดินไม่เป็นที่สบายของกิจใจอาทินาทานกาเมมุสาสุราก็เหมือนกัน พระสวัสดาบาลสวัสดาปะนะเป็นผู้เห็นธรรมแล้วเป็นผู้เชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ง อ, งอง่อนแงนคอนแคลนเสียแล้วไม่ยอมสื้อถือศาสดาอื่นมาประปนเลยเช่นนางวิสาขาเป็นต้นเช่นโกมารลพัดเป็นต้นพระเจ้าพิมพิสารเป็นต้นในขั้งพุทธการมีมากต้องห ม, มงื่นหมื่นต้งแสนแสนต้องล้นลานล้านในเมืองราชาคฤห์ ในเมืองสาวัตถีก็เหมือนกันพระสวสดาบาลพระสกทาคามีพระอนาคามีมีทั้งผู้บวชมีทั้งเพศสมณะมีทั้งเพศฆราวาสในข้างพุทธการภูมิธรรมของพระสวสดาบัลในฆ่าขายมนุษย์ไม่ฆ่าขายสัตว์เป็นเรื่องสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหาร ไม่ค้าขายน้ำเมาไม่ค้าขายยาพิษผู้ของพระสวดาบันการพนันทุกประเภทพระสวดาบันเว้นไม่ใช่ได้อยากจะทําเลยและถือว่าเป็นทางชิบหายเอาจริงๆไม่เป็นเครื่องอบอุ่นเลยถือว่าไฟถือว่าเครื่องชิบหายนบายนมุแปลว่าเป็นเครื่องชิดหายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปาก จึงว่าอบายมุถ้าผู้ใดอยากถึงพระสวสดาบันก็ไม่ยากมีสินห้าไปจำจะรักเวระมณีหรือไม่เวระมณีต่อพระก็าตามเว้นเอาเว้นเอาแล้วกว็แล้วเวระมณีแปลว่าเว้นเว้นจากเวร ปานาติปาตาเป็นข้อห้ามเวรมณนีเว้นแล้วสิกขาประทางสมาธิามิเป็นสิกขาบทอันหนึ่งหนึ่งเพราะบทที่ปิดประตูไม่ลวกศิลห้าถ้าหากว่าเรารักษาให้บริบูรณ์หมดแล้วก็รวมลงมาเป็นสิน ต, ตัวเดียวอยู่ที่สินใจสมาธิก็มีอยู่ในนั้น คือศีลานุสติและลึกถึงสินที่ตนรักษาก็เป็นสมาธิอยู่ในตัวก็มีปัญญาอยู่ในที่นั่นอีกผู้ไม่มีปัญญาก็รักษาศินบริสุทธิ์ไม่ได้ตกลงศินสมาธิปัญญาก็เป็นอันเดียวกันไม่อยู่คนละหัวละเหงเป็นกองทัพธรรมอันเดียวกันเป็นเชือกสามเกลียว ที่สินอยู่ละคนละหัละแห่งก็เป็นสินตามปริยัติถ้าปฏิบัติแล้วก็อยู่แห่งเดียวกนันนั่นก็อาหารอันนี้ก็อาหารนั่นก็แกงอันนั้นก็สารพัดถ้าชั้นรวมลงในปากแล้วก็อยู่ในลําไส้อันเดียวกันนี่ถ่ายก็ถ่ายออกครอบกันไม่มีอันใดก่อนอันใดหลัง ฉันใดก็ดีเมื่อเราถ่ายเทความชั่วออกก็ถ่ายออกพร้อมกันคมมือเว้นจากปณนาทิบาตอธทินาการมีมุสาสุราในขณะจิตเดียวแล้วก็เรียกว่าถ่ายเทออกพร้อมกันถ้าเราเว้นแล้วก็เรียกว่าม า, วารวมอยู่พร้อมกันในเป็นศีลตัวเดียวเป็นสมาธิตัวเดียวตั้งมั่นอยู่ในศีล เป็นปัญญาตัวเดียวที่รอบครอบอยู่ในศีลเป็นสุปฏิปันโนเป็นต้นของพัะพุศาสศาสนาพระวุทาศาสนาเบื้องต้นหมายเอาถึงอย่างนี้เป็นโลกุตระพระหวังพ้นทุกข์ในวัฏสงสารพรถึงโลกุตระรมแล้วศีลของปโสดาบันสมาธิของปโสดาบัน แล้วความเห็นของพระสวดาบันเป็นสมาธิิเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาเป็นผู้เห็นชอบทีนี้เมื่อจิตถึงพระสวดาบันแล้วพระจร akah ามีอนณาคามี อ, าามอหรหันก็อยู่ในอุ้งมือเหมือนกันพอ ร, รวมคิวกันแล้วถ้าขึ้นรถก็ขึ้นคันเดียวกันผิดกันแต่ที่นั่งเท่านั้น ที่นี้สุพเทปันโนก็ดีอุชุกยาญาสามีก็ดีพระบอรมศาสด า, า, า, าก็ฝากไว้กับมนุษย์และเทวดาฝา่ายมนุษย์ก็ฝากไว้กับพิกสุสัมเนินุบาสกอบาสิ ก, กาถ้าภิกสุสัมเณินุบาสกอบาสิกาไม่รักษาพระพุทธศาสนาไม่ยินดีในพระพุทธศาสนาจะให้ผีตัวใดมายินดีด้วย ถ้าไม่ปฏิบัติเทวพุทธศาสนาจะให้ผีตัวใดมาปฏิบัติด้วยได้ทรัพย์เต็มแผ่นฟ้าแผ่นดินก็ไม่เท่าถึงได้พระโสดาบันเพราะมีศีลบริสุทธิ์ศีลเนสุขติงยันติจะเป็นสุขทั้งโลกีและโลกุตละ ตัว อ, อย่างยิงย่งคือพระนิพพานก็พนเพราะศีลศีลเลยนะกพสัมปทาโกคสมบัติทั้งปวงมีทานสมบัติศีล ส, สมบัติภาวนาสมบัติเป็นต้นซึ่งปารากฏในภายในตลอดถึงสมบัติภายนอกก็เพราะศีลศีลเนนีนน้พูถึงเงนติจะไปถึงพระนิพพานก็เพราะศีลเหตุฉะนั้นสังขายนาขั้งที่หนึ่ง พะเรวัตและสภะพระส พ, พากามีพระมหากัจปะพระมหากัจปะเป็นหัวหน้าจึงปรึกษากับพระอานุนว่าเราจะควรทำสังขารยา ย, ายพระเวนไหนหรือพระธรรมก่อนพระเวนไนเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาต้องสังขายยายพระเวนไนก่อน ถ้าพระวินัยขาดวินไปแล้วพระธรรมทั้งหลายก็เป็นไปลาำบากชั้นใดก็ดีเมื่อต้นไม้ไม่มีรากเงา้าใบและกิ่งก้านก็ไม่สะดวกถ้าว่าศีลของเรามีอยู่แล้วตัดศีลลงในใจแล้วสมาธิปัญญาหรือพระพุทธพระธรรมผสมก็ค่อยเป็นไปเอง เพราะเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ถ้ามีแต่ทานไม่มีศีลเกิดชาติหน้าก็เป็นคนมีอายุน้อยสิ้นลมปลาณ ง, ง่ายมรณะภาพง่ายถ้าหากว่าขาดทานมีแต่ศีลเกิดในพบหน้าก็เป็นคนจน สมพอได้ก็ไม่ได้สมพอรวยก็ไม่รวยจนทัพถ้าขาดภาวนามีชาติมีพบอยู่อีกเขามาโกหกพุกลมให้ยินดีในอะไรก็ไปตามเขาเป็นไม่ลอยนะเพราะไม่ได้ภาวนาเหฉะนั้นทานศีลภาวนาจึงเป็นกําลังของมพุทธศาสนากลมกลืนกันเป็นเชือกสามเกลียว ท่าบรุมษาศาสาตัาเตือนอยู่เสมอๆวันพระชิดก็ดีญาติโยมก็ดีพุทธบริษัทก็ดีวันคืนล่วงปลยล่วงปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เพร่อจะเตือนให้เราปฏิบัติเพื่อบทรลุในสงสารนั่นเองจิตเบื้องต้นให้ยินดีันมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภูมสมบัติในทางที่ชอบทุระในเบื้องปลาย ให้เห็นโทษในมนุษย์สมบัติสวรรสมบัติผมสมบัติอีกด้วยถ้าเห็นโทษในความเกิดแก่เก็บตายอีกด้วยเพราะการเกิดแก่เก็บตายในวัฏจสงสารเป็นของทุกข์ถึงจะเป็นของธรรมดาก็าตามเรามีความเกิดความแก่ความเก็บความตายเป็นธรรมดาก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นธรรมดาทุกข์เ่าดีๆนี่เองรสชาติของมันไม่แกเ่เฉยๆลดชาติของความแก่ก็คือทุกข์ รสชาติของความเกิดก็คื อ, คอทุกข์เมื่อเกิดมาแล้วก็ร้องไห้กำมือร้องไห้เพราะจะได้มาผ่านทุกข์เหฉะนั้นพระบรมศาสดาทำชั้นสูงจึงสอนให้เบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏสงสารไม่ได้สอนให้ติดอยู่จีวรบินทาบาตเสนาสนะและเภสัตว์นั้นสอนให้ยินดีตามได้ตามมีเท่าที่มีมาแต่ไม่ได้สอนให้ติดอยู่เพราะเป็นเสเบียง เพื่อจะปฏิบัติข้ามข้นทุกในวัฏสงาสารไม่จะสอนให้ติดอยู่จะรู้หรือสวยงามสักเพียงไหนใดก็าตามจะร่ำรวยสักเพียงไหนก็าตามไม่ให้นอนใจติดอยู่เพียงแค่นั้นวัตถุนิยมเราก็ชมว่าดีอยู่แต่อยู่ใต้อู่ของอนิจจังมีน้อยมีมากก็อยู่ใต้อู่ของอนิจจังเพราะอนิจจังเป็นผู้ครองโลก ม, มีใครเป็นเจ้าโลกหดอกอันนี้จังเป็นเจ้าโลกอันนี้จังท่านั้นเกิดขึ้นแล้วแปรปวนและแตกสลายทุกท่านั้นแล้วเกิดขึ้นแปรปวนและแตกสลายก็ อ, อันเดียวกันสิ่งที่มีวิญญาณคลองสิงอยู่ในตจโลกธาตุก็ดีสังหารีมาซับก็ดีสังหารีมาซับก็ดีซับที่เคลื่อนที่ได้ก็ดีที่เคลื่อนที่ไม่ได้ก็ดีที่มีวิญญาณ ก็ดีที่ไม่มีวิญญาณก็ดีก็ไม่ได้อยู่ในอุ้ง ม, มือของใครเกิดขึ้นในกอแปรป่วนในแตกสลายธรรมชั้นสูงของพระพุทธศาสนาถ้าโซดาบันบางจําพวกพิจารณาอานิจจังเป็นอารมณ์พ่อขมกลมลมให้ใจเขาออกบางจําพว ก, กพิจารณาทุกขังเป็นอารมณ์พ่อขมกลมลมให้ใจเขาออกบางจําพว ก, กพิกรณ า, าอานัตตาเป็นอารมณ์พ่อมกลมลมให้ใจเข้าออก เห็นอยู่ว่อมีกลางวันกลางคืนและก็ไม่สงสัยในโลกทั้งปวงด้วยพระสกทาคามีก็เหมือนกันพระอนาคามีก็เหมือนกันเว้นพระรหันเสียพระรหั ต, ตมักก็เหมือนกันส่วนอรหัตตผลเว้นเสียเพราะท่านข้ามพ้นไปแล้วที่เรามาอยู่นี่นไม่ใช่ที่ใหม่ คุยก็ไม่ใช่ที่ใหม่พวกคุณเพิ่งมาก็ตามแต่ว่าได้มาหลายชาติหลายภพแล้วนเป็นที่เก่าของพวกเราทั้งหลายนั่นเองคุยก็ก็ดีคำเจี๊ยกก็ดีประเทศไทยก็ดีประเทศอื่นก็ดีแผ<ฮ>่นดินนี้ไม่ใช่เป็นที่ใหม่เป็นที่เก่าของพวกเราที่เคยมาทิ้งซากไว้นั่นเอง น้ำก็เหมือนกันไฟก็เหมือนกันลมก็เหมือนกันที่พวกเราเคยได้หลงมานั่นเหมือนกันพระบรมศาสดาจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายน้ำตาของพวกท่านทั้งหลายนั้น น, นนานจึงจะหยุดออกขรั้งหนึ่งแต่ท่านทั้งหลายเก็บไว้เมื่อให้อันตราทานไปที่ไหน แต่ท่านท่องเที่ยวมานี่ก็ดีเราจะาทักท่องเที่ยวมานี่ก็ดีเจ็บไหวชาติปะโยชนเท่านั้นแหละมากกว่ามหาสมุทรสี่มหาสมุทรนะท่านทั้งหลายกระดูของพองท่านทั้งหลายเกิดชาติหนึ่งหนึ่งมาท่านทั้งหลายจะเก็บไว้เพียงเท่าหัวแม่มือเท่านี้แต่ไม่ให้อันตรธ า, านไป ก็จะใหญ่กว่าแผ่นดินนี้อะโูเมื่อเป็นดังนี้การท่องเที่ยวของท่านทั้งหลายก็เป็นของเก่าทั้งนั้นเอสัทโมธนันตน์นูเป็นของเก่าปุ๊เพสุเป็นมาอย่างนี้แต่พวกท่านทั้งหลายจําชาติไม่ได้ก็จําเป็นก็ต้องลืมตัว เราตาขาคตรูู้ดีรู้ตลอดพวกท่านทั้งหลายที่ต้องเที่ยวมาจะให้เราตาขาคตไล่พวกท่านทั้งหลายเรื่องชาติเรื่องพบของท่านทั้งหลายออกมาจากชาตินั้นมาจากนี่มาชาตนั้นจากนี่พวกท่านทั้งหลายก็ขี้เกียจฟังและไม่ยอมเชื่อรู้ไเพราะไม่เห็นไม่เหมือนตาข้าวทตาขาคตเห็นหมด ถ้าคดสั่งสอนพวกท่านทั้งหลายไม่ได้หวังเอายเอาลาบ เ, เ, เอายศกพวกท่านทั้งหลายเลยตถ้าคดบวชมาอยู่คนเดียวเปลี่ยวกายาผู้ร่างบาดให้ก็ไม่มีขําที่ไหนก็นอนที่นั่นจนพระพุทธศาสนาจเจริญมาจึงมีพระอานนท์ปฏิบัติเป็นหลักเป็นฐานแต่ก่อนเราก็กโซคลนหาอยู่ปฏิบัติอยู่ ยอมเสียสนะเพื่อท่านทั้งหลายทราบทั้งหลายแล้วอาให้ท่านพวกท่านแล้วเมื่อทําให้นายมีอยู่ตราบใดก็เท่ากับว่าเราจะท้าพรนยังอยู่ตานั้นท่านทั้งหลายจงเอาไปไปฏิบัติเถิดทำแลมวนายของเรา เ, เองจะเป็นศาสดาแทนของพวกท่านทั้งหลายเราไม่ได้ทิ้งพวกท่านทั้งหลายไว้ให้เป็นกำพรา้าดอกมีมรดกมาให้แล้ว ท่านทั้งหลายจะเอาสิ้นห้าสิ้ปดสิ 200, 200, สองร้ก็ตามเมื่อท่านทั้งหลายจะบวชก็ตามหรือไม่บวชก็ตามท่านทั้งหลายจะรักษาพระพุทธศาสนาในทางคารวะก็รักษาได้โดยสะดวกพระโสดาบันจักกะคามมอนาคามมอลหันพวกท่านทั้งหลายอยู่ทางคารวะก็สามารถได้อยู่ถ้าท่านทั้งหลายปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามเท่าที่ควรไม่จืดจางไปไหน ไม่ล่าสมัยไปไหนดอกเกลือไม่ลดละความเค็มในชั้นใดพุทธศาสนาก็อย่างนั้นพริกก็เหมือนกันรสของหวานก็เหมือนกันรสของเปรี้ยวก็เหมือนกันสิ่งไหนที่เคยเปรี้ยวก็เปรี้ยวอยู่อย่างนั้นสิ่งเดียวสิ่งไหนที่เคยหวานก็หวานอยู่อย่างนั้นสิ่งไหนที่เคยเค็มก็ต้องเค็มอยู่อย่างนั้นเพราะพุทธศาสนาจะล่วงไปสักเพียงใดก็ตามสิ่งเหล่านั้นก็เป็นจริงอยู่มันล่วงไปเป็นยุคเฉยแต่เพระพุทธศาสนาไม่ได้ล่วงไปไหน น้ำผลี่พานก็มีอยู่ทุกการบาปก็มีอยู่ทุกการบุญก็มีอยู่ทุกการเมื่อรับตาเข้าก็มีมืดอยู่ทุกการเมื่อลืมตาออกก็มีการเห็นอยู่ทุกทุกการดอกบัวสี่เหลาก็มีอยู่ทุกการไม่มีแต่ในขั้นพุทธการดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกเป็นตูมก็เป็นตูมเต็มภูมิดอกเสมอน้ําก็เสมอน้ําเต็มภูมิ ดอกบานก็บานเ ต, ต็มภูมิดอกใต้น้าก็ใต้น้ำเ ต, ต็มภูมิดอกบัวแต่ละดอกเปรียบเหมือนแต่ละลายของบุคคลก็เดียวเปรียบเหมือนคนในโลกมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยทิ้งที่จะตัดจานวนของเราก็ยังมีมากมายอยเหมือนกันเพื่อจะกันไม่ให้เราสงสัย เราเห็นความตายชัดในปัจจุบันใน maths, ใชาติความตายในอดีตหรืออนาคตเราก็ไม่ต้องสงสัยเราเห็นอนิจจังชัดในปัจจุบันอนิจจังในอดีตอนิจจังในอนาคตเราก็ไม่สงสัยเราเห็นความแก่ในปัจจุบันความแก่ในอดีตความแก่ในอนาคตเราก็ไม่ต้องสงสัยเราเห็นทุกข์ในปัจจุบันว่าชาติเป็นทุกข์ชดาพยาธิมานะความโศกเศร้าเสียใจเป็นทุกข์ ในปัจจุบันอดีตที่รอดมาแล้วเราก็ไม่สงสัยอนาคตรเราก็ไม่สงสัยอีกเมื่อเราไม่สงสัยในลลกโลกเล็กๆแล้ววิญญาณปฏิสัทนติของเราก็ไม่เหื่อเหมืมจนลืมตัวปัญหาของเราก็น้อยลงอีกเหมือนกันปัญหาด้านคิตใจของเราก็น้อยลงถ้าหากว่าเราเข้าใจว่าโลกจะเป็นอื่นนอกจากทุกไปแล้วคงจะมีสุขเกือเท่า เม็ดงาคาลิ้นอย่างนี้ปัญหาของเราก็มีมากถ้าหากว่าว่าเราถือว่าคําว่าโลกรคๆนี่ก็คือรุดคีติติแปลผู้ย่อยยับไปแปลว่าผู้อนลมานอยู่ในกองทุกข์แปลผู้เดินสวนสนามในกองทุกข์ในธรรมชั้นสูงของพระพุทธศาสนาความสงสัยในโลกทั้งปวงความสงสัยในปัญหาของตนทั้งปวงมันก็ไม่มีเมื่อสงสัยความสงสัยของ เราไม่มีทีนี้่ย่าโอสถอันนี้มาถูกล่างความงสงสัยไปเสียแล้วปัญญาของเราเขาแก่กล้าขึ้นทีนี้เหยียบเล็บความหลงของเราไปทุกทีทุกทีทุกทีทีททนี่นานเข้านานเข้าก็ชนะความหลงของตนก็ข้ามทะเลหลงก็เข้าสู่พระนิพพานเราปฏิบัติต่อพุทธศาสนา เพื่อพ้นทุกข์ในสงสารปัญหาของมันน้อยลงแล้วถ้าเราปฏิบัติพระพุทธศาสนาเพื่อราภเพื่อยศเพื่อสนเส ร, ริญหรืออะไรต่ออะไรสารพัดปัญหาของมันก็ไม่มากปัญหาจิตของเราก็ยุ่งอีกเหมือนกันก็ปัญหาจิตของเราเลยยุ่งเราไม่ใช่ปัญหาอันอื่นจะมายุ่งเราอกปัญหาความหลงของเรายุ่งเราต่างหาก ถ้าเรารู้ตามเป็นจริงไปแต่ละชั้นละชันปัญหาของเราก็หายไปหายไปหายไปหายไปหายไปหายไปขนาดของเราก็เบาไปเบาไปเบาไปแล้วก็ไม่แข่งดีกับใครในโลกแข่งดีกับกิเลสและความหลงของตนชนะก็ชนะความหลงของตนแพ้ก็แพ้ความหลงของตนเท่านั้นการแพ้การชนะภายนอกไม่มีเมื่อการแพ้การชนะไม่ภายนอกมันมีปัญหามันก่อ หมดไปแล้วเป็นธาตแห่งความหลงมาหลายท่าตหลายพบแล้วไม่อยากจะยอมตัวเป็นธาตแห่งตัณหาของตนต่อไปอีกเหตนั้นพุทโธนิพพานธรรมนิพพานสังโฆนิพพานจึงฝังอยู่ในใจไม่ใช่กราบไหว้เพื่อแก้ตัวเพื่อแก้ลำคาญไม่ใช่บวชแก้ลำคาญ ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเพื่อแก้ลำคาญเพื่อหลอกกินขนมเห็นภัยในวัฏสงสารจริงๆิ้งพยาตูปัญาาญาณเห็นภยัยเห็นสังขารเป็นของน่ากลัวลมหายใจเข้าข้างหนึ่งก็คือภัยภัยนั่นเองถ้าไม่หายใจออกก็ต้องตายถ้าไม่หายใจเข้าก็ต้องตาย จะเห็นปลายชาเขาจงดูปลายจมูกจะเห็นป่าเกิดก็ดูปลายจมูกถ้าไม่ลมหายใจเข้าออกอยู่แล้วก็เรียกว่าเกิดถ้าไม่มีลมหายใจเ ข, เข้าออกแล้วก็เรียกว่าตายตามสมมติปลายชาอยู่ที่รูจมูกหรืออยู่ชีพระจรก็ถูกส่วนตายจากเชาสายบายเที่ยงตายแล้ววันนี้ก็ใกล้าตายกว่าวันวานนี้วันนี้ใกล้าตายกว่าเม่เชานี้ วันล่วงไปล่วงไปริบหรี่ริบหรี่ริบหรี่ลงรับเหลี่ยมเขาชีอว่าก็เหมือนกันแต่ละชาติละชาติถ้าหากว่าโลกทั้งหลายเต็มไปด้วยเกิดแก่เก็บตายให้เห็นอยู่วุ่นวายอยู่อย่างนี้ ปัญหาของเราจะยินดีในโลกทั้งปวงสำพรัโลกเกยริรัตะสัญญาท่านทั้งหลายอย่ายินดีในโลกทั้งปวงเถิดตามชั้นสูงออกมาพุทธศาสนาท่านทั้งหลายจงละอาในโลกทั้งปวงเถิดคำสอนชั้นสูงเนี่ยท่านทั้งหลายจงเห็นภัยในวัฏฏสงสารเถิดภัยเกิดภัยแก่ภัยเก็บภัยตายภัยโลกภัยโกรธภัยหลง ภัยเวไฟไฟรไพภัยซาลพัดไม่รู้ว่าเก่าหรือใหม่ตามมาแต่พก่ก่อนก็มีวุ่นวายที่นี่วุ่นวายนอที่นี่ขัดข้องนอพยศบ่นไปเดินไปตามทางพระบรมศาสด า, า, าก็ตอบว่าพระบรมศาสด า, า, าได้ยินเสียงพยศที่นี่ไปวุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องท่านมานี่เถิดนั่งลงเถิด เราจะแสดงทํามแก่ท่านกวจิตใจของท่านมัมีวุ่นวายเสียแล้วทานข้ามไปเสียแล้วข้ามความหลงของตอนไปทะเลเสียแล้วข้ามทะเลหลงไปแล้วอยู่ฝากฝังของทะเลหลงแล้วพานุรุตถะพระยาศักดิ์คุณระบุท่านก็นั่งฟังตอนนีส้สายท่านบางแล้ว ท่นก็สำเร็จพระราหารันข้ามความสงสัยชัวรัตนีมือเดียวข้ามโลกชัวรัตนีมือเดียว <uinely> ได้ๆในโลกล้วนอนิจจังได้ในโลกนนโลก้วนทุกขงังได้ๆในโลกล้วนอนัตตามีความหมายอันเดียวกันได้ๆในโลกล้วนทุกข์ก็มีความหมายอันเดียวกัน เมื่อโลกทั้งหลายบัญจุแต่ทุกข์อยู่อย่างนี้แล้วทีนี้เราเห็นทุกข์ชัดแล้วทั้งปัจจุบันเอาปัจจุบันเป็นพยานอาดีตร่วงมาแล้วมีแต่บัญชีอนาคตยังไม่มาถึงก็มีแต่บัญชีพรุ่งนี้ก็ยังไม่มาถึงแต่มีแต่บัญชีเมื่อวานนี่ก็ร่วงมาแล้วมีแต่บัญชีถ้าเป็นเงินก็จ่ายไปแล้ว ถ้าเป็นเงินก็ยังไม่มาถึงในวันพรุ่งนี้เยอะนี้มีเงินอยู่ข้างในกระเป๋าด้วยทัง้งในบัญชีด้วยทั้งมีเงินในกระเป๋าด้วยกระเป๋าคืออะไรคือความเชื่อคือความเห็นธรรมคือความรู้แจ้งในธรรมเรียกว่ากระเป๋ามีในปัจจุบันด้วยเหตุที่จะสงสัยโลกทัองปวงก็ไม่มีเมื่อไม่ใสงสงสัยโรกทั้งปวงการทะเยอทยานในโลกทั้งปวงก็ห้ามเบีกลง ตัณหาคือความทะเยอทะยานในโลกทั้งปวงเรียกว่าตัณหาความดับตัณหาได้สิ้นเชิงทุกทั้งหลายก็ดับไปหมดได้ชื่อว่านิโรธเพราะเป็นปัญญาเพราะเป็นความดับทุก <c oughs> ปัญญาเห็นเจ้ว่าสิ่งนี้ทุกสิ่งนี้เหตุให้ทุกเกิดสิ่งนี้ความดับทุกสิ่งนี้ทางดําเนินให้ถึงความดับทุกได้ชื่อว่ามรรคเพราะเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุก มักนั้นมีองแปดประารคือปัญญาเห็นชอบหนึ่งดำริชอบหนึ่งเจริญชอบหนึ่งทางบงคัชอบหนึ่งทางความเพียรชอบหนึ่งตั้งสติชอบหนึ่งตั้งใจชอบหนึ่งมักแ8ดยอนลงมาเป็นหนึ่งคือในปัจจุบันนะมักเป็นเชือกแปดกิเกลียวนั่นรวมลงมาเป็นเกลียวหนึ่งเมื่อสมาทิฏฐิเห็นชอบในตอนไหนๆสังโปวาจากรรมันตวอาชิววายโมสติสมาธิก็เป็นไปทางกันเพราะห้อยจักพาไป เจตนาในดาในโลกไม่เท่าเจตนาเพื่อจะพ้นจากวัฏสงสารโดยด่วนปฏิบัติใดๆในโลกไม่เท่าปฏิบัติเพื่อจะพ้นจากสงสารโดยด่วนในปัจจุบันในชาติความเห็นใดๆในโลกไม่เท่าความเห็นยินดีในพระนิพพานขณะจิตเดียวยินดีในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติ ทั้งล้านล้านขนาจิตไม่เท่ายินดีในพระนิพพานขนาจิตเดียวเพื่อคนทุกข์ในวัตารสงสาลสัปปงกหรือเหนื่อยไหมฉัน <c oughs> ไม่ค่อยสบายค่ะไม่ค่อยสายเลยใช่ค่ะที่สมควรกันแล้วหรื อ, อยังสมควรกันแล้วนะ ถ้าใครสงสงัยอะไรก็ถามอีกก็พูดไปอีกอพวกสัมมาทิฏฐิจึงพากันยินดีในบวชเออมารดาก็ยังไม่เป็นคนแก่ขนาดไหนนีเต่ฉันมาที่นี่ก็แหมภูมิใจแล้วเชิญฉันได้มาอยู่ใกลไปหน่อยฮะอยู่ใกล้กันก็ตาม ต่างคนต่างมีพระพุทธธรรมประสงค์เขารับนับถืออยู่ได้ชื่อว่าอยู่ใกล้กันโดยธรรมจะอยู่ขอบฝ้าแดนไกลกับเพียงใดก็ตามเหมือนบวช ต, ตั้งพันตั้งห้าสิบพรรษานั่นน่ะ <laughs> หลวปู่นะครับเป็นองนําทางครับเที่ยวมาฟังเทศเสมอเสๆนี่มาเขาเขาไม่ค่อยพูดดอกนะแต่เขาพูดเก่งหมอญอ้วนะพูดเก่งอชื่อยังไงลืมไปมอญอ้วนสวยครับสวัยหัวหน้าน่ะสนอีกเสียด้วยไม่เท่ามีเท่าไรขอไปหมดอไม่เท่าหลวงปู่ก็ไม่เท่าหลวงปู่ไปหมดอ แก็ไว้เป็นที่ระลึกน้องปู่จะมีอะไรแจกลูกหลานนั้งคะก็มีอยู่เหมือนกันมีอยู่เพราว่ามาไกลอยากแม่เป็นที่มุตโตไทยมีอยู่มุตโตไทยของหลวงปู่มั่นยังไม่ได้นะออ่เมันไม่ทั่วถึงในกรุงในกรุงเทพมันมีคนหลายล้านครับมุตโตไทยแล้วพรุ่งนี้จะเอาให้ เมืเ่อเจอไทยของหลวงปู่มั่นคงจะครบกันมีกี่คนสามหกเก้าคนครบครบอยู่พ่ออยู่กับหลวงปู่นานไหมครัสี่พันสามันามาที่ห้าไม่ได้จำ<อ>พันศาที่ห้าเหตุไฉนจึงว่าสี่พันาจึงว่าห้าพันสาก็มีเหตุผลว่าสองพันสี่รแปดสิบเก้า ไปอยู่กับท่าน90 91 92ตอนเดือนพฤศจิกายนข้างแรมถูกแล้วท่านก็สิ้นลมปราณทีนี้ก็รอทาชาปรกิจอยู่อีก พอเสร็จชาพนจิ ก, ก็เพ็นเดือนก็ในระหว่างเดือนสามข้างขึ้นมันก็เป็นปีใหม่แล้วทีนี้ค่าก็ว่าในระดูะดูแรงอ่ะแต่พอถึงฤดูฝนก็ไม่ได้จำพรรษาอีกเพราะเหตุใดก็เพราะท่านมรณะภาคไปแล้วก็ลงไปหลวงกับหลวงปู่เทศภูเก็ตพังงา 3, สามพันษาแปลว่าสี่พันษาทั้งแรงทั้งฝนแด่นั้นฤดูแรงหนึ่งไปเที่ยวเดือนออกกาบองค์ท่านไปเที่ยวไปกับหลวง ป, ปู่มหาบัวที่แรกไปสององค์สอง9ันสี่้าปทเก้านั่นเอง ออกพรษาแล้วไปเดือนพฤษภาคมก็กลับเข้ามาอีกแต่นั่นก็เลยไม่ได้ไปที่ไหนทั้งแรงทั้งฝนด้วยเนาปู่บันไม่ใช่ของง่ายๆนะคใครไปเที่ยวปีนี้กลับมาแล้วถามภาวนาไมา่ได้ความมาให้อยู่ด้วย พอไปเที่ยวหากินขนมเขาได้เย็นเขาทำบุญที่ไหนก็แวะไปแวะไปพูดเก็บเรือเกินน้วงปู่มันมถ้าไปเที่ยวกิงกิ้งไปเที่ยวเว่ยเร่ิ้งกิงมาถามมันก็ต้องได้ความท่านว่าจะไปดูหนังสือไปตอบท่านท่านก็รู้จับจะไปเอาเรื่องของคนอื่นมาพูดเป็นเรื่องของตัวเป็นวิชาของตัวไปเอาของเศรษฐีมาเป็นวิชาของตัวท่านก็รู้ ท่านก้มหน้านึกขณะิตเดียว ท, ท, ท่านทักเลยเอาคำของคนอื่นมาพูดไม่ใช่ตัวไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านพูดอย่างนั้นไม่ใช่ของง่ายๆหลวงปู่มัน่นวิชาใดๆที่ปีนเกลียวไม่มีในหลวงปู่มัน่น วิชาเส ย, ยศาสตร์ไม่มีปะปนในหลวงปู่มัน่นได้เห็นกับตาด้วยได้พิจนารณาด้วยวิชาควักกระเป๋าก็ไม่มีในหลวงปู่มัน่นเดี๋ยวนี้หลวงปู่กาลังทําอันนั้นอยู่กําลังทําอันนี้อยู่ใครจะมีศรัทธาช่วยอันนั้นบ้างช่วยอันนี้บ้างหลวงปู่มั่นนไม่ได้เ อ, อ่ยเลยไม่มี หลวงปู่มั่นเป็นพระมหาสันโดดจริงบริสุทธิ์จริงจะหาอุบายจัดงานจัดการขึ้นในวัดเพื่อหารายได้เพื่อจะซ่อมแซมหรือก่อสร้างไม่มีในองค์ท่านหลวงปู่มัน่นทีนี้เรื่องพุทธาพิเศษ พุทธาพิเศษก็มามีในหลวงปู่มั่นจะพิเศษให้ท่านเป็นอะไรท่านดีกว่าพวกเราแล้วก็บูดอย่างนี้วิทาวิชาแทะหูแทะตาพระพุทธรูปที่ทํามาแล้ววิชาวิชาบวชท่าพระพุทธรูปก็ไม่มีในองค์ท่านวิชาปุกวิชาเสกก็ไม่มีในท่านเอาพระพุทธนอลูปน้อยเล็กมาอย่างนี้ก็ทํามา่ๆๆในปากแล้ว เขอให้ท่านขังอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีอะไรหลวงปู่มั่นท่านขังกว่าเราแล้วไปจะไปปลุกท่านทำไมท่านลุกกว่าเราแล้วท่านลุกไปก่อนเราแล้วท่านเข้าสู่พระนิพพานแล้วมีแต่เรานี่นเองหลับอยู่ท่านั้นเองมันเป็นบาปท่านพูดอย่างนั้นทําตัวให้ดีเหมือนกว่าพระพุทธเจ้าไปบวชให้พระพุทธเจ้ามันก็บาปสิท่านพูดอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านบวชก่อนเราแล้วท่านพูดอย่างนี้ลัทธิอันนี้เพิ่งเกิดมาทีหลังแต่ก่อนตกอยู่ไหนไม่ทราบ และที่ที่เหรียญอันนั้นอันนี้<ไ>พอได้พูดก็จะพูดไปซะกระทบกระเทือนใครก็ไม่ไมว่าละโสตาย <laughs> <ๆ>กระทบกระเทือนในโลกก็ตามโสตายแล้วเดี๋ยวนี้เลือทุกหยดบูชาพระพุทธาศาสนาแล้วบูชาพระพุทธธรรมประสงค์แล้วนี่พพุทธาภิเศกไม่มีในปฏิปทาขององค์ท่าน เรื่องบุญฉลองอายุก็ไม่มีในท่านท้าบุญฉลองอายุไม่มีในท่านเกิดมาใหม่ๆอันนี้ทำบาปวันไหนมันก็ฉลองอายุบาปทำบุญวันไหนมันก็นนช่องฉลองอายุบุญท่านพูดอย่างนั้นมันเป็นเรื่องฉลองอยู่แล้วท่านพูดอย่างนั้นทำกุฏิวิหารใะไท่านไม่พลาดฉลองหรอก หลับต า, าเข้าก็ฉลองมืดท่านพูดอย่างนั้นลืมตาออกก็ฉลองเห็นท่านพูดอย่างนั้นมันฉลองอยู่ในตัวแล้ ว, ลวเราทําอะไรท่านพูดอย่างนั้นนี่มาสมมุติกันให้วุ่นแรงส่วนมาสมมุติให้วุ่นเก่งนะกันเองสวนใน้วุ่นกันแองให้เรื่องมากให้เรื่องโน้นเรื่องลย้เรื่องเก็บศพพระที่ทูตส่งมานานๆก็ไม่มีในองค์ท่านองค์ท่านอ้างเหตุผล เมืองสาวัตถีพระเชตตะ ว, วันมหาวิหารอยู่ทางทิศตะ ว, วันตกเขียงเหนือเม่เฉียงใต้บุพพารามของนางวิสาขาอยู่ทางทิศตะ ว, วันตกเฉียงเหนือของเมืองสาวัตถีแต่ว่าวัดเชตตะ ว, วันมหาวิหารนนัเป็นวัดที่รวมคิวใหญ่ ไฟที่ถูกเผาพระเนรประจำวันอยู่ทุกวันมีควันอยู่มีเปลวไฟอยู่ประจำวันทุกวันเพราะเป็นที่รวมของของพระภิกษุทั้งหลายเป็นวัดใหญ่พระบรมศาสดาก็อยู่ที่นั่นมากกว่าอย่างอื่นเหตุเชนั้นในพระสูตรจึงเอ่ยว่าสาวัตอย่างสาวัตอย่างเป็นส่วนมาก รายชักเขเหร้ายชัขึ่นมีเป็นส่วนน้อยหรือสาวัมีแต่สาวัสถีอย่างการเก็บศพไว้ไม่มีในข้างพุทธการท่านพูดอย่างนั้นมาทำการใหม่ท่านพูดอย่างนั้นในยุคบ้านน้องผือ ก็มีพระมรรณาภาพสององค์ทีนี้การทาชานระนิจอย่างนั้นอย่างนี้หลวง ป, ปู่มหาไม่เอ่ยถ้าเอ่ยมันก็กระทบกระเทือนโลกในะปัจจุบันแต่ความจิตเป็นจริ ง, งท่านถวายพระเพลิงในวันนั้นท่านไม่เอ่ยสักท่านอาจารย์มหาท่านเป็นผู้ฉลาดถ้าแแ่งเด็ดเดียวเกินไปก็จะมีเรื่อง เวลาท่านออกไปสกลนค ร, รที่ท่านในจันมาหาแตงหลวงปู่มาหาแตงบอกว่าไปสงเครยมนุ่มชุวาโนนก็ดีนายอ่อนโมกคลาดก็ดีนั่นเพื่อแบ่งเบาแบ่งเบาครูบาอาจารย์แบยงเบาครู <c oughs> บ, บาบอาจารย์ที่จับมือเซนองค์ท่านออกไปถ้าเป็อย่างนั้นมันจะทับครูบาอาจารย์ผู้จับมือเซนองค์ท่านออกไป องค์งท่านต้องการแม่นาหน้าภาพอยู่ที่บ้านหลองปู่นะไม่ต้องการออกไปเวลาหามไปเราเองเป็นผู้ติดตามท่านหลวงปู่มหาอยู่กองหลังหลวงปู่มหาเป็นผู้แต่งแล้วกองหลังกองหน้าก็ดีท่านร่าท่านทองคําท่านเสียหาไปก่อนสักผมจะอยู่อีกกี่วันไม่ทราบเพราะกีวันการยังไม่แล้วเอาใส่แค่หามไปไว้จับ คนลเล็กๆและน้อยไม่ได้ใส่บาตรหรอกเพราะมันมากคนโยมก็ไปเป็นกลุ่มกันไปคนประมาณสองรอคนพอไปผ่านพ้นบ้านน้องเผือแล้วท่านก็บนเสียงเบาๆจะหามไปเปิ้งไปเผาที่ไหนนาะแก่แล้วตายที่ไหนก็ต้องอยู่ที่นั่นท่านพูดแบบเย็นๆ <c oughs> แต่เราไม่ได้พูดให้ท่านอาจารย์มาหาฟังว่าท่านอาจารย์มาหารับษามหมูอยู่ข้างหลังเนี่ย Uh huh. เวลาท่านแ่งหนังสือแล้วก็มาได้ปาล็กให้องค์ท่านฟังก็แปลว่าท่านไม่องค์ท่านไม่พอใจไปแ <Okay. S 2> ปลวัดปาสุดวาสแต่ก็แต่งไม่ให้ค้าจากความจริงมากแต่ไม่ให้ตรงมากถ้ากรงก็จะตรงตามความจริงก็ประทับถมครูบาอาจารย์ผู้ดึงแขนท่านออกไป ไปชงข้อไหนออกก่อนมคลาดชงข้อยังไงเข้ามาอยู่ทุกปีอืพออยู่อำเภอพนานานนี่คมไปชงเคข้อยมนุ่มชวาโนนถ้าหากว่ า, ายอยู่ในวัดน้องผืนสัตก็จะตายมากไปอยู่สกลสัตว์ก็ตายมากมันไม่เอิงเขาก็ฆ่าขึ้นอีกห้าหกตัวอขาเลี้ยงแค่ใหญ่โคกระบือเขาก็ฆ่าขึ้นอีกมากห้าหกตัว ถ้าหากว่าหลวงปู่มั่นต้องการจะไปมรณะภาพที่วัดป่าสุทธาวาสจริงก็มีสิ่งที่จะแทงอีกเหมือนกันจะแทงว่าหลวงปู่มั่นมกักใหญ่ไ่สูงในเรื่องศพที่นี่นั่นที่นี่สิ่งที่เป็นพยานมีอยู่แล้วในยนุค2489มีพระมรณะภาพสององค์ องหน kind of ึ่งก็18แปดพันษาองหนึ่งก็เก้าพันสามนักธรรมเอกองเก้าพันษาองค์1แปดพันษาเนั่นเป็นอาจารย์ปฏิบัติมานานแล้วท่านก็ทาทาพารำชาปนกิจในวันนั้นถวายพระเพลิงในวันนั้นโลดพ้นหลวงปู่ เราปู่ทำนลดผลทําอาหารเราอายุสามสิบขนาดนั้นเรายิ่งยินดีมากเอออาจารย์ของเรานี่ไม่แอบกินกับสบสบเจ็บเจบของลูกศิษย์ถูกกับจริตของเรามากเราเป็นคนมีกิเลสมากอไม่แอบกินกับสบสบเจ็บเจบเชื่อกำเลยผลของกรรมของตนที่ปฏิบัติเขาก็เลยชาภากรถักกรรมฐานออกมาฮาบุญแล้วจะมาคอยเอาบุญเก้าไคล ก็ต้องทำเอาที่นี่ส่วนข้าราชการันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่นี่ถ้าไม่ทำก็ถูกตเตียนกันว่าขี้ตนัน่ว่าขี้เหนียวสารพัดะส่วนพระของเราจะดักเอาแล้วไว้ดักแล้วไว้เอาตังคนสำหรับเราเราเขียนไปไินัยกรรมไว้แล้วถ้าข้าพเจ้ามรณนะภาพอยู่ในที่ใด ให้าชาวพุทธไดู้ดปฏิบัติใกล้ิดอยู่ในที่นั้นจงรีบข่าเผาข้าพระเจ้าโดยด่วนก็ลงก็ไม่ต้องทำใส่เตียงแล้วก็ชูไปที่ริมวัดแล้วก็เผาเพราะไม่ได้ผ่านบ้านใครเขียนไว้แล้วนี่ถ้าเก่งจะเป็นปัญหากันในอนาคต ในโลกนี่ใครจะไปเด็ดเดี่ยวเหมือนหลวงปู่มั่นไม่มีดอกไม่มี้าก็ก็ใกล้อยู่หลวงปู่มหากใกล้หลวงปู่มหาบววหลวงปู่ฟันก็ใกล้หลวงปู่เทศก็ใกล้อยู่ ลูกผู้เฒ่าเนี่ลูกผูเฒาก็ใกล้เหมือนกันลูกปู้แฒ่าท่านก็ไม่ทุระอะไรไม่ทุเละไม่ทุเลอะไรหรอกลูกผู้เฒ่มันเป็นเรื่องของพวกลูกลูกหลานพวกพวกลูกๆกหลานหาสตางค์ต่างหากหตางคโอ้ของท่านของของท่านไม่เป็นอะไรหรอกลูกผู้เฒ่าไม่เป็นอะไรหรอกโอ้ของท่านของท่านลูกผู้เขาก็เหมือนกันมันเป็นเรื่องของคนอื่น การเลเรื่องของคนอื่นแล้วผูเขาวท่านก็ไมทุลัอะไรดอกที่นี่จมัดสี่ทุกสี่ทุกี่สี่ตามทำตามทำเนียมของหลวงปู่นั่นพอถึงสิบสองมันก็ลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่งทุกวันนี้ ลุกมาเดินตามนี่สามมันก็ออกห้องละสามมันก็ออกล่างหน้าละถ้าหาว่าอยู่ตามปกติดีสามอมันแดนจํากรมันงจิบแดกิแกมาแล้วมันยิ่งร่ายนะวันหนึ่งขึ้นหนึ่งถ้าหลับถึงสองชั่วโมงแล้วก็เอาละตาใสเกลืเลยตาใสเกลวเลย เรานอนมารายชาติหลายภพแล้วมันพูดอย่างนี้นอนเยมันเล่งปฏิบัติมันเป็นยังไงไม่ทราบนะอาหาร <c oughs> ที่เคยมี <c oughs> มรสร้อยเปอร์เซน์มันก็ยังเหลืออยู่เก้าสิบเท่านั้นมันไม่เหมือนเก่าสช่แล้วมันถูกแต่สมมุติไม่อร่อย <c oughs> ส่วนสมมุติอร่อยน่้มันไม่ถูกสช่แล้วทุกวันนี่ ขี้เกียจมาเกิดมาเกะมาเก็บมาตายมานึกมาคิดขี้เกียจจนถึงนึกถึงคิดคูกักใช่ไปพักผอกันอไม่เป็นผมจอาแต่เอคนูักชั่วโมงเองชั่วโมงเนี่ยนะแล้แต่เพื่นืขอแต่เพื่นยายันไปก็ไปเอาก็เอา ก็เอาตามใจ <requ> ใครวล่นก็เชิญก่อนน ะ, ะไปที่นี่เนี๋ย<า>วเดียไฟไฟมีไหมล่ะมีไม่คันนี้นะครัสิบคนห่ะไม่เป็นะมากันสิบคนสิบคนหรือเดยเดี๋ยวจะขาดตื่นขื้นไม่ไ ก, ไมก่อน ไฟมีไหมล่ะไฟมีพิดายังไหมพิดายังอยู่มาไหมวันนี้ไม่ได้มาครับชาบ้านนะบ้านครับหกหกสิบสองครับเกษียณอายุได้สองปีแล้วท่านทํางานอะไรเป็นพันิชจังหวัดครับตาแหน่งข้าวุ้ยท้ายนี่แต่ก่อนเคยมากับเขาเรืเร่อยๆไม่ค่อยพูดกับเขาดอก <laughs> ค่อยไม่ค่อยพูดกับเขามาฟังเขาพูด แต่ว่ามาัดหนักเวลาบวชก็ต้องบวชทีนี่เวลาบวชก็ต้องบวชมาชิมดูหมอสวัยนั่นหมอสวัยนั่นพูดมากพูดพูดเก่งแต่ว่าไม่เท่าคนนี้อันนี้น้ำหนักก็อาศัยเวลารม่ลงปู่เว่าไม่ังปู่เลยต้องฟามัอยู่นี่ มาบ่อยเลยพกนี้แล้วครูบางทีเราครูมาอะไรมารอบมองอะไรจะจับไหมหรือไม่ไมไม่ไ ม, ไ ม, ไม่จะขอแต่ไม่ท่านั่นเองขอไปทำไมเธอทำไมถึงไม่ทำมาให้เธอจะมาขอเอาไปหมดหรือเอาไปเป็นมงคล ไปหมดเลยตามสี่อันเอาไปแล้วตามตวายกินอ่ไรไมใช่นนัเคยไปหาหลวงปู่ฟั่นเหมือนกันทางหลวงปู่ <c oughs> ทำเองน่ยะทำเองทำเองลาวไม่ให้แทนอยู่แต่ไม่มองมือหลวงปู่ต้องมาลาวใหม่ลาวใหม่ <c oughs> <c oughs>